ทานสาธุชนพทรทบดีิจฉาทั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบ ก, กันในเรื่องของมอโหสดบัณฑิตตามที่กล่าวมาแล้วว่าโอโหสดบัณฑิตถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีมีปัญญามาก <c oughs> ทำความดีทุกอย่างท้งนานาโมนซึ่งเป็นปัญญาสองคนเป็นคนดี แต่ก็ยังมีเจ้าเท่าอปรีที่มีความอิจฉาศิยาให้สองคนนี้ได้รับความทุกข์แต่ความจริงบัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตนุ้นหลานที่รักจงทําตนของตนให้เป็นบัณฑิตยอยู่เสมอและจงอย่าทําตนเป็นคนผ่านขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแปลว่าคนดี ทำว่าดีในที่นี้ต้องดีตามกฎหมายของบ้านเมืองดีตามประเพณีนิยม <c oughs> ดีตามหลักศีลธรรมดีตามกฎข้อบังคับและก็ดีตามคําสั่งขบวนกามบรรดาให้ครูบาอาจารย์ที่ดีสำหรับครูบาอาจารย์ในลูกหลานที่รักส่วนใหญ่ก็เป็นคนดี แต่เวลานี้มีครูบางประเภทที่คิดจะทำลายล้างระบบประเพณีการปกครองของประเทศชาติมีอยู่ถ้าครูประเภทนี้ครูไม่ดีจงอย่ารับฟังรับฟังแต่เพียงว่าประเทศไทยก็เราทรงความเป็นไทยตลอดมาในสมัยรัตยาการนิ่งหา้าขึ้นเหนือจากนั้นขึ้นไปถึงสมัยของพระองค์ประเทศไทยเคยมีทาต หมายถ้งว่ามีคนต้องตกอยู่ในสภาพเป็นทาสของบรรดาบุคคลที่มีเงินแต่ว่าคนที่เป็นทาสเองไม่มีความอิสระภาพต้องมีความเป็นอยู่ตามคำสั่งของเจ้านายเสมอเจ้านายจะเอาอยัางไงก็ต้องทำตามนั้นป่วยไข้ไม่สบายเขาใช้ก็ต้องทำถ้าไม่ทำเขาก็ลงโทษ โขเคียนโขตีโขลามโศกแต่ว่าท่าสมัยนี้ที่เขาบอกว่าพยายามจะปลดแอกเกา่าแล้วก็เอาแอกใหม่เข้ามาสวมคอเจ้านายสมัยนี้เขาไม่ใช่เคียนไม่ใช่ตีไม่ใช่ลามโศกถ้าผิดคาสั่งของเขานั่นก็หมายถึงความตายฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจงอย่าโม่เมาประคํำโฆษณา จงใช้ปัญญาอย่างมโหสถบัณดิตบรรฑิตบรริตเป็นคนมีปัญญามโหสถถึงแม้ว่าไม่มีความผิดแต่ไม่ถูกกล่าวโทษก็ต้องหลบไปก่อนในรายการที่สองเมื่อกลับเข้ามาในพระนครในเฝ้าพระราชามโหสถบรรฑิตก็ไม่เคยจ้องจับด้วาจาที่หยาบคายและใส่ร้ายใครทั้งหมด าการเช่นนี้เขามันดาลูกหลานทุกคนฟังแล้วก็ยังจาจาแล้วก็ยงคิดคิดแล้วก็ปฏิบัติตามลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อจานี้ไปก็มาพูดถึงเรื่องของมโหสถบัณฑิตในเราเท่าเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี่ก็มีเจ้าสี่เท่าสรรพัดิษ เขาก็เริ่มมีที่ตลอดมาลูกหลานจงรับฟังไว้นะว่าไม่ช้าอาจจะมีการเลือกผู้แทนรัษดรหรือว่าขณะที่รับฟังนี้อาจจะมีแล้วก็ได้หรือว่าไม่มีก็ฟังข่าวคนให้ข่าวบางทีก็จะกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ดี เราจะทำโนนฉบับนี้ไม่ดีคณนะรัฐมนตรีคนคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแตล้วต้องดูคนพูดว่าคนพูดนะ่ยเคยทำความดีมาแล้วหรือยังแล้วเคยสร้างความร่วมจมใแก่รประเทศชาติมาแล้วหรือยังสมัยที่เขาเคยเป็นรัฐบาลสมมุติว่าถ้าเขาเคยเป็นรัฐบาลเขาเคยสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วมาแล้ว แต่คนไหนเคยสร้างความดีมาแล้วเราก็เลือกคนนั้นคนไหนสร้างความชั่วมาแล้วเราก็ไม่เลือกคนนั้นเพราะอะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินดาวเงินเดือนเบียเ้ยเลี้ยงเงินพิเศษที่เขาได้มันเป็นภาษีก่อนเขาบิดามารดาเขาลูกหลานที่รักต้องเสียไปเป็นนั้นว่าเราไปจ้างเขาเป็นเจ้าเป็นนายจ้างเข้ามาค่มเหงเราจ้างเข้ามาค่มขูเรานี่ไม่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่จะมารับเลือกไปสมาชาานนิกสภาผู้แทนรัศดรก็เหมือนกันถ้าเราเลือกคนดีเข้าไปมันก็มีผลดีสำหรับเราถ้าเราเลือกคนเลวเข้าไปความย่อยยับมันเข้ามาทั้งเราดังนั้นคนที่โอ้อวดว่าจะทํโน่ทนทานี่ทำดีอย่างนั้นทาดีอย่างนี้ก็จงอย่าเลือกเข้าไปจงเลือกคนที่คิดก่อนพูด คนที่พูดก่อนคิดจงอย่าเลือกทีนี้มันจะให้ดูตัวอย่างของคนที่เลือกเข้าไปไม่ดีแต่ตอวแล้วก็สร้างเหุร้ายให้แก่ตัวเดียงกับพระเจ้าวิเทยียรราชบรมกษัตริย์ก็บาเท้าเธอก็เลือกวันดิตทั้งสี่ซึ่งเป็นคนไม่ดีมาแนะนำมาเป็นครูบาอาจารย์ คนเท่าสีนี้เป็นคนไม่ดีจริงๆหลวงปู่จิ้ให้น้ำก็ว่าเจ้าเท่าสารพัดพิดพิดที่มันแสนดงม า, าแล้วลูกหลานก็จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความอิจฉาที่ยามีการคิดคตรทรยศดีไมด่ดีมันอาจจะคิดว่ามันอยากจะเป็นประธานาธิบดีหวังความเป็นใหญ่แต่นั่นแสดงนิงความโง่องของมัน ดูตัวอย่างต่อไปในตอนนี้ทางข้อเรื่องว่าเจ้าเท่าสารพัคิดคิดทรยศเรื่องมีว่าเจ้าเจ้าบัณฑิตทั้งสี่มีเสนกเป็นตัวเป็ น, เ ป, นเป็นหัวหน้าเมื่อมองให้ความรุ่งเรืองของมโหสถมีเหนือกว่าตนเช่นนั้นทั้งนี้เราก็ว่าตัวคิดจะฆ่าเขา คิดเจอข้าวหัวมันเสียแล้วก็เอาเมียมันแต่ความคิดเช่นนั้นไม่สาเร็จผลในที่สุดก็กลายเป็นมโหสดนี่รุ่งเรืองกว่าตนราชาสมพระเจ้าทานยศใหญ่สมบัติใหญ่ยังมันนั่งภาษาหาเลยว่านี่พวกเรามัดนี้จะมะโหสดแทนที่มันจะตายตามที่เราคิดกันไว้ แต่เราเองกับได้รับความอับอายขายหน้าอย่างนหนักพ่อนางอม่อนเป็นสําคัญมีตัวแทนเข้ามันําเมียเข้ามันก็สําคัญเจะะ้ามโหสถที่ก็สําคัญเวลานี้พวกเราอับเฉาลงไปทวนจะทําอย่างไรกันดีเมือ่อภาษาหารุกันแล้วท่านเสนล็อกเสนอโทษว่านีหัวหน้าใหญ่นะเจ้าหัวหน้าสารพัพิษ เรามีใบายอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องสี่คนนี้พากันไปไปมาหาไปไปหาโมโหสดด้วยกันแล้วก็ถามมโหสดดูดว่าขึ้นชี่ว่าความลับคนจะบอกกับใครใช่ไหยถ้าโมโหมสดบอกว่าไม่คนบอกกับใคร เราก็จะกล่าวพูกับบรราชาว่ามโหสดนี่ทำตนเป็นข้าสิทธิประโณบมบายนี้พวกเราจะเห็นเป็นยังไงมาแล้วไหมลนะ่ะเห็นแล้วหรือยังว่าเจ้าเท่าสรารพัดทิ่เลยมันมีทิศทุกอย่างโลกหลันที่รักทิ์เพื่อมันมีมากจริงๆฟังกันต่อไปมันดาจะหายเด้วสาม ฉันเรียกว่าบัณฑิตแห่งสามนั่นแหะตอนนี้อย่างนี้เขาไม่เรียกบัณฑิตแต่เขาเรียกคนผ่านเจ้าบัณฑิตทห่งสามก็เห็นชอบถ้าหมายความว่าเจ้าบันดิตแั่งสามนี่เราเป็นขุนพลพยักเอนกันคหน้าว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นว่าไรว่าตามกันมันไรก็มันไร่ได้กันดีก็ดีได้กันเขาก็สามัคคีกันดีในความสามัคคีเพื่อความมันไรในโลกหลังที่รักจงจําไว้นะ เราจงเป็นตัวตัวของตัวเองมาเสมอใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้หลักวิชาแต่หลักวิชานี่ควรจะมาหลังความคิดใช้ปัญญาซะก่อนใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราควรจะทํายังไงมันจะดีใคร่ครวญก่อนใคร่ครวญแล้วจึงใช้หลักวิชาสมัยช่วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่หลักวิชายอย่างเดียว เห็นเ้าว่าดีตามหลักวิชาก็ทำไปหลักวิชาที่เราเรียนมานะบางทีไปปฏิบัติงานเข้าจริงๆมันใช้อะไรไม่ได้หรอกมันต้องใช้ประสบการณ์ในเหตุการณ์ปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่คาว่านั่งคิดเพ้อฝันว่าถ้าประเทศไทยเราเป็นคอมมิวนิสต์ได้จะดีมากความจริงลัฐธิคอมมิวนิสต์เป็นรัฐธิทานคนทั้งชาติเป็นท่านขาบ ง, งคนกลมน้อย ทรับยสินนื่องหลายที่ได้มาคนกลุ่มน้อยเขาไปใช้หมดคนเท่าประเทศเป็นท่ายของคนไม่กี่คนและ้วจะกินจะอยู่จะนอนจะพักผ่อนไอ้นี่มันเรื่องของเขาสั่งทั้งนั้นเราไม่มีสัมพัทธไม่ใช่ของดีคุยกันต่อไปเจ้วขุนลอยพยักทางสามจินเห็นด้วยจินีพากันไปหาหมโหสดไปหมดเอกันทั้งสี่คน ขึ้ขึ้นไปบนเรือนเห็นมโหสถกำลังนั่งอยู่เสนนกจนึงไพูดว่าท่านบัณฑิตเข้ามาเจ้าขอากาสถามปัญหาสักข้อหนึ่งเถิดท่านจะอนุ ญ, ญาตไปมโหสถบัณฑิตกกล่าวาาว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็มีอายุมากกว่าผมเปรียกว่านิจท่านอาจารย์นี่จะมีสภาพทั a d ะว่ากันไปก็คล้ายกับบิดาของผม เช่นถ้าอาจารย์จะถามอะไรก็เชิญถามได้ตามอาธัธยาศัยท่านเสนกเนกจีในถามว่าคนที่ชื่อว่าเป็นมรดิควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรธรรมก็คือความดีในลูหลหะที่รักวกันนี้จะงงเอ้ไอ้คำว่าธรรมธรรมเนี่อะไรที่ความดีท่านบอกว่าตนมรดิจะตอบว่าควรตั้งอยู่ในความดี หมายความบัณฑิตนี่คนรตั้งาความจริงทุกอย่างเป็นเชื่อว่าสิ่งที่ไม่จริงบัณฑิตจะไม่กล่าวมาเชนก็จะเนี่ยตั้งปัญหาถามาไปว่าต่อบไปว่าผู้ตั้งอยู่ในความจริงแล้วควรจะทําอะไรต่อไปเนียเป็นปัญหาของเขานะเขาไปถามตรงไปตรงมาท่านมโหสดก็ตอบว่าคนสแสวงหาทรัพย์ ท่านเสนแลก็ถามต่อไปว่าได้ทรัพย์แล้วควรจะทําทอะไรท่านมาโฮสตจองตอบว่าเมื่อมีทรัพย์มาแล้วก็ควรจะคบมิตรด้วยการอุทิศทรัพย์ของตัวที่มีอยู่เป็นเครื่องเกือ้อกูลกับมิตรที่ก็มีความยากจนหรือว่ามีความขัดสนในใดถ้าไม่เกินมีสายของเราเราก็ควรจะส่งต่อเขา อันนี้ลูกหลานที่รับต้องจําให้ดีนะจ๊ะจำไปแล้วแล้วก็ปรคิดตามคิดตามแล้วเอาไปปฏิบัติท่านเสซน้องจึงได้ถามต่อบไปว่าการคบมิตรเมื่อครบมิตรแล้วควรจะทําทอะไรต่อไปอีกท่านมฮ้อยคนก็ตอบว่าควรเรียนความคิดความอ่านขจัดนิตรมายความว่าความรู้สึกก็ดี ความคิดเห็นข้ามัดาวิสัยก็ดีเราควรศึกษาว่าเพื่อนข้อเราในคิดดีหรือว่าคิดชั่วถ้าคิดชั่วเราก็โตออกห่างคําว่าโตออกหางก็หมายความว่าเรายังครบค้าสสมาคมอยู่แต่ว่าเราไม่ยอมปฏิบัติตามไม่เหมือนในเมื่อเขาเพียงแค่คิดแต่ว่าเขาจะลงมือทําความชั่วนี่เราไม่ยอมปฏิบัติตามเด็ดขาด ท่านเซนนอกจใจฐานว่าการเรียนความคิดความอ่านจากมิตรได้แล้วก็ยังควรทําอะไรอีกหมายความในเมื่อเราเข้าใจอุปนิสัยของเพื่อนแล้วควรจะทํำยังไงต่อไปท่านมหคุณก็ถต่ ว, าว่าถ้าเราถ้าความคิดอ่านที่ได้จากมิตรเป็นความลับก็ไม่ควรจะบอกความลับนังนแก่ใคร ี่ยเหมาะใจไหมเหมาะใจไหมเขาต้องการจุดนี้แต่ว่าเขาถามอ้อเป็นอนุบันลิตทั้งสี่ดีใจที่อบายาท้านตนสาเร็จทีนี้กลากลับกันมาแล้วก็คิดว่าหินความปีน่าของโอหสดเยี่ยมไรแล้วเห็นไหมไอเจ้าเท่าสารพัดคิดเตยมันไม่เคยจะคิดไป ความจริงเขาสดเป็นมิ่งขวัญของประเทศคนที่มีปัญญาเขาพูดจริงเขาทำจริงเวลาน้ำท่วมนคนทุกคนที่เขาทำงานตั้งแต่ต่ำถึงสูงทำงานในความโหงใหญยประชาชนสมกับการที่เราเสียภาษีอกรออกไปแต่ก็จะมีคนจังไรบางคนไปกล่าวโทษคนที่ทำงานเขาทำงานทาไมดี ซึ่งต่างกับสมัยของตัวเมื่อสมัยของตัวเนี่ยความระยำละ ส, สายไม่เกิดขึ้นทุกอย่างแม้แต่การเผาสถานที่ราชการทําลายวัตถุทงางราการก็ไม่ผิดกฎหมายนี่คนจังไรประเภทนี้ลูกหลานที่รักจงยา น, นำเอามาเป็นตัวอย่างในกานรประพฤติดูตัวอย่างในสมัยที่ น, น้นํำโตมีใครบ้างเขาเขาทํากัน เวลาดึกดเดือนเ่งคนที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารเอาตวงานสั่งทหารทำงานกันทุกอย่างเนหน็ดเหนื่อยก็นักการทั้งปวงเขาทำกันอย่างนี้แต่ก็ยังถูกเจ้าคนระยำนิยำนิ้นทาอยู่ตลอดเวลาคนพูดกับคนทำลูกหลานที่รักมันไม่เหมือนกันการทำงานทุกอย่างจะผลสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นมันยาก แต่ว่าจะคนพูดมากแต่มันไม่ทำานี่ยมาพั็จกกี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้เอาเข้าจริงๆตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้คนดาประชาชนนับแสนต้องลำบากแยกแคะเพราะใคราะว่าเจ้าเท่าสรพัดพิจิตสี่นี้มันทำไว้นั่นก็คือคิดตระยุตถตอง โ, โมถต้องไปจากประเทศนี้แล้วเมื่อไรเมื่อนั้นแหละ ประเทศจะเต็มได้วยความทุกขคนนิย่าจนก็จะมีแต่ความลำบากาเพราะเจ้าเท่าสรพัพิษมันมีจิตเสียไม่จ้องการเห็นใครได้ดีเป็นอันว่าเจ้าเท่าจังสีเห็นความพินามโมโโศของโหสถิรยู่ลำแล้วขั้นกลับมาถึงจึงตรงเข้าไปเฝ้ากราชาทันทีเส้นกเลขลาทนว่าขอเดชะใต้ฝ่ารองตรีพระบาท69ปกหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระุทธเจ้าทราบมาว่าโอโหสถคิดขบทต่อพระองค์พระเจ้าค่ะนี่ยังไม่พอนะหาว่าเขาก็โมยของมนแล้วมาร า, รววารกา ร, ราธพลวิธขบถอีกพระเจ้าวิเทหราชได้งสนาดชนิดตัดถามว่าชนิดตัดข้ามาเนี่นี่ยเนี่ยเนี่นี่ยตาเสนนก นกเสฟร์แกหยุดพูดนะพี่ยาพูดว่ามโหสถกั บ, บรเรากับเราต่อไปอีกแกสี่คนเนี่ยฉันเชื่ออะไรไม่ได้แล้วฉันมีชีวิตอยู่ได้ก็บพรอาศัยมโหสถมีฉะนั้นก็ถูกเทวาดาลงโทษถึงความตายแต่ความเป็นบัณฑิตของแกนี้ไม่ได้มีความหมายนะ ปัญหานม่ดเดียวเท่านั้นก็แก้ไม่ได้ถ้าทําไมจะมาแจ้งว่าหอสดกิจเธอยัดเป็นบขบุกเราท่านมันเด็กเจ้าสี่ได้กราบทูลว่าขอเดชะขายายาไม่ควรข่าวพวกข้าเป็นผู้ใดเจ้าต้องสี่ขอยืนยันว่าการคําคที่กรา่าวทูลเป น, นั้นเป็นความจริงทุกประการเดี่ยกข่า ถ้าก้วยทรงเที่ยวก็จะตรว ถ, ถามออโมโหสดว่าความรับของเขาเขาควรบอกแก่ใครถ้าเขาไม่เป็นขบตอกจะออกเขาก็จะกราบทูลว่าควรบอกแก่คนนั้นนั้นถ้าเขาเป็นขบเขากจะกราบทูลว่าไม่ควรบอกแก่ ใ, ใครทั้งหมดต่อเมื่อทําการสําเร็จแล้วยัควรจะบอก ดังนี้แหละพเพราะเขาเจียวข่าวข่าพระองค์จริงแต่ถ้าหากว่าพระองค์ทรงจะถามอย่างนี้แล้วพระองค์ก็จะหมดสงสัยจะเชื่อข่าวพระพุทธเจา้าใช่ไหมดูแลงเขาไอ้เท่าสารพัดพิษที่มคิดเอยศทำลายชาติทำลายกษัตริย์ทำลายประชาชนมันเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆห า, า, าเรื่องร้ายให้เขาฟังกดเขาต่อไป เมื่อพระเจ้าวิเทยรราชทรงรับคำว่าคือเอเเราจะลองถามโมโหสดดูและจนะ้สั่งให้เปรียโมหสดเขามาเฝ้าขันมโหสดเข้ามาแล้วพระองค์จจนไดาถามในที่ประชุมมันดิทั้งห้าว่าบุคคลที่ควรจะเปิดเผยความลับกันได้กับใครเซนกกิดว่าอีคราวนี้นะเราจะให้พระราชา ร่วมความคิดเห็นกัเราก่อนเรียนนกจิ้นในกราบโทนก่อน่คิดแล้วเขากราบททลว่าข้าแต่พระภูมิบาลภูมิบาลในบาลเนี่ยเขาเรารักษาภูมิตะวัเทพอปืนแม่ดินข้าแต่พระองค์ผู้รักษาแผ่นดินเร้วกั น, นะภาษาไทยข้าพระองค์ขอให้ขอพระองค์ทรงตัดเปิดเผยเจนเหล่าข้าพระองค์ก่อนว่า ความรับเป็นพญาเปิดเผยให้แกใครก่อนทั้งนี้เราข้าพระโอค์จะขอฟังความคิดเห็นของพระโอค์และจะกลาบทูลให้เป็นที่พอพระไทยภายหลังพระเจ้าค่ะพระเจ้าจวิเทียรัฐย์ิงนี้ทรงดัดว่าความรับนี้พัญญาที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามีใช่ เป็นที่รักของสามีสามีควรจะเปิดเผยความรักกับพัญญาแต่ความจริงพัญญานี่มีหลายประเภทแต่พัญญาเสมอได้เพื่อนเสมอพัญญาเสมอได้ดีเสมอพัญญาเสมอได้แม่พัญญาเสมอได้อสระพิษคืงูร้ายคือเมียนเลแนวใจหัวแต่ว่าพระราชาได้กล่าวว่าพัญญาเนี่ยสําหรับพัญญาที่ดี สา ม, มีก็ควรจะเปิดเผยความลับกับปัญญาเห็นลกดีใจที่ประชาชนมีความเห็นลกกับตนที่นี้กระดาษกล่ว่าบุคคลที่ควรเปิดเผยความลับเนีบุคคลที่ควรเปิดเผยความลับแก่สหายที่ร่วมสุขร่วมทุกมีอุปการะคุณแก่ตนซึ่งที่ว่าความลับเนี่ย ควรจะเปิดเผยกับเพื่อนที่รักที่ร่วมรักพระราชายินกระทำภูกระสาว่าอา จ, จารย์ปุกระสาท่านมีความเห็นได้ยังไงเพาความลับที่เรามีอยู่นี่เราควรจะบอกกับใครอาารย์ภูกสาก็กล่าบทูลว่าบุคคลนี้ควรเปิดเผยความลับก็ได้แก่พี่ชายเดียวกันี่และน้องชายที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม พระเจ้าวิเทียรราชินาตถา ต, ต, ต, ตาภามินข้าจันกามินวะถ้าจันกามิณลักเห็ น, นยังไงข้าจัการมิณ ก, กล่าวทนว่าความรับเรื่องคนจะเปิดเผยแก่บิดามันดาของตนหรือว่าแก่บทที่เป็นอนุชาติบทอนุชาติบทจะไมมีความหมายความคนบทคนนั้นมีความคิดเห็นตรงกับพ่อกับแม่ทุกอย่าง เจ้าท่านพระเจ้าวิเทหราชเนรรีถามท่านอาจารย์เทวินว่าท่านอาจารย์เทวินท่านจะมีความคิดเห็นยังไงต่อความแับคุณจะเปิดเผยกับใครอาจารย์เทวินโอ ก, กาสคุณว่าบุตรควรเปิดเผยความลับแก่มารดาบิดาที่มีความรักต่อบุตรเมื่อเจ้าสี่คนเขาตอบแล้ว ระราชาสรงทอดประเน็ตไปทำโมโหสุดแล้ว่าตัดามว่าพ่อมโหสุดลูกรักเจ้าเห็นยังไงความลับตึงคนจะบอกกับใครมโหสุดจึงกล่าวทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าและ อ, อ่อธุลีเฉพาบาทปกกล้าปกาปกระหมอ่อมขึ้นชื่อว่าความลับ เนื่อการซ่อนความลับไว้นั่นแหละเป็นความดีการเปิดเผยความลับไม่มีอะไรจะดีเลยบคุคคลผู้เจรจาเมื่อทำการยังไม่สาเร็จก็ยังไม่ควรเปิดเผยความลับแต่ไครต่อเมื่อการทำความสาเร็จแลวนั่นแหละจึงควรจะเปิดเผยความลับโอ้โหสดยัด พัฒนาการทุนแบบนี้ปันตลสี่หาตึงคิดว่าคราวนี้สำเร็จสาเร็จเจ้ามโหสถเจ้าต้องเป็นขําบทแน่เมืการนี้เรากราบทูลว่าเจ้ามโหสถนี่เอาลกขโมยของไปเราเสียท่ามันเคียงแล้ว ในคราวนี้มันบอกว่าความรับไม่ควรจะเปิดเผยกับใครถ้าทํางานสำเร็จเมื่อไร่เปิดเผยเมือนั้นสำเร็จแ น, น, น่สำเร็จแน่เมืมม่อมโหสถกราบทูลจบ ร, ราชาก็สรงเศร้าพระทัยมองดูหน้าเีนกเสนกก็มองดูกกงดรัชทายาทของพระราชามโมหสดสเสกเห็นหรัชทายาทของพระราชาแสดงความไม่พอใจ ในการที่การให้คนประกาศภูนทั้งในหินดียาก็เสนอกับราชาเชนนั้นก็รู้ว่าอาจารย์น่าสีควรจะปราบทูนยุยงส่งเสริมพระเจ้าวิเท迦รัตที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเราไว้ก่อนเป็นแรกและปัญหาที่ราชาตัถามก็เพื่อทดลองเราการรับประโยชน์การของเรา สร้างยุ่งยากให้คนอื่นได้จริงจรงิงให้ลานที่รัเห็นไหมการอยู่กับคนเนี่ยต้องจําไว้นะว่ามันยุ่งไอ้คนเนี่ยมันแปลว่ายุ่งคืนทำไปยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันหนาอีกเห็นจะต้องกลับก่อนคิดอย่างนี้แล้วมโหสถกินได้กราบถวายเมื่อคมลาออกไปถ้าก็เดินไปเมื่อเลินไปก็คิดว่านี่นี่ มันเรื่องอะไรกันนะคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยความรับแก่สหายอีกคนหนึ่งคนบอกเปิดเผยความแล้วก็พี่ชายและน้องชายอีกคนหนึ่งบอกว่าควรเปิดเผยแก่บุตรคนหนึ่งว่าควรเปิดเผยแก่มารดาและพิดาเรื่องนี้ถ้าคนเหล่านั้นเขาจะได้ทำกันมาแล้วเป็นแน่จึงได้พูดไปตามที่ปรากฏแก่ตนเออละ เป็นอนุญาจะได้รู้ดีกันในวันนี้แหละเราจะไปนั่งในถังข้าวใบทั้งข้าวใบใดมาใบใหญ่ใบที่อาจารย์นัสี่เคยไปนั่งพูดสากันเราะว่าเขาเคยไปนั่งกับมันถังข้าวนะหลังถังเมื่อออกจากที่เฝ้าแล้วก็เดินมาถึงคังข้าวให้คนที่ติดตามมาด้วยนําเครื่องมาปูราดปูลงแล้ว ก็เอาถังครอบไว้มโคสดเข้ไ า, าขไปนั่งอยู่ในถังลูกนั้นก่อนจะเข้าไปได้บอกจะผููติดตามว่าถ้าอาจารย์ทั้งสีมานั่งประสานกันเสร็จแล้วถ้าเขากลับไปให้ช่วยกันยกถังออกหน่อยเป็นอนันุบรรดาลูกหลานทห้รักวันนี้มโมโหสดบัณฑิตจะจับผิดจะจับความคิดจะสืบความนักใจอาจารย์ทั้งสี ยอมทำตัวเข้าไปนั่งเยินทังข้าวซึ่งมานมรอากาศอบเต็มทีแต่ว่าผลนี้จะมีเป็นเบือการใดขอบรรดาลูกหลานรักเท่าไรรอฟังในโอกาสต่อไปเพราะเวลานี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขอลากร อ, อความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคมมลสมบูรณ์ปุณฑลจงมีเดลู่หลานที่รักทุกคนและบรรดาทางพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี